พระอาวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทลงแสดงเกียรติสัโลกตั้งแต่วันตั้งแต่เริ่มแรกประกาศธรรมจนกระทั่งถึงบรรพินิพพานเป็นเวลานา น, านถึงสี่สิบห้าปี ถ้าวาดทั้งหมดนี้ร้วนแล้วแต่พระองค์ทรงทุ่มเทลงชำระสะสางหรือชำระล้างต่ปาปรามสิ่งที่ชั่วซึ่งมีอยู่ภายในใจของสัตว์โลกทั้งนั้น ทั้งวิธีละทั้งวิธีบำเพ็ญซึ่งกลมกลืนกันไปโดยลำดับตั้งแต่วันประทานพระโอวาทจนกระทั่งวันประนิพนธถ้าคิดเป็นเครื่องมือก็จะได้สักกี่ลํำรถจนขนไปไม่หวัดไม่ไหวมีโอวาททั้งมวล น, นี้ด้วนแล้วแต่ เป็นเครื่องชำระซักฟอกชะล้างหรือปราบปรามสิ่งไม่ดีทั้งหลายภายในใจของสัตว์ทั้งนั้นไม่มีอย่างอื่นมีแต่เรื่องชำระซักฟอกเมื่อคิดดูแล้วสิ่งเหล่านี้จะมีความหนาแน่นมั่นคงขนาดไหนจึงต้องได้ทุ่มเท ลงด้วยการช้าล่างโดวยวิธีต่างๆถึงจํานวนขนาดนั้นให้เราคิดดูสิ่งไม่ดีทั้งหลายในหลักศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสเครื่องมือหมองมือตือ้อภายในจิตใจเป็นสำคัญเพราะกิเลสไม่มีบ้านมีเรือน ไม่มีสถานที่ต่างๆเป็นที่อยู่ที่อาศัยเหมือนสิ่งที่มีวัตถุทั่วทั่วเป็นวัตถุทั่ ว, วไปเช่นอย่างสัตว์บุคคลมีบ้านมีเรือนมีรวงมีรังมีสถานที่อยู่อาศัยส่วนยิเรศนี้อาศัยหัวใจของสารโลกเท่านั้นเป็นที่อยู่เป็นที่อาศัยเป็นที่ทำงานทุกแง่ทุกมุมตามความต้องการของตน หรือตามวิสัยของกิเลสไม่มีเวล า, วลาปีเดือนไม่มีสถานที่นั่นที่นี่ไม่มีการยกเว้นเป็นเช่นหยุดเหมือนเราหยุดราชการงานเมืองอย่างนี้ไม่มีมีเฉพาะเวลาหลับสนิทเท่านั้นเป็นเวลาที่กิเลสอาศวะ ประเพทต่างๆพักตัวไม่ทำงานนอกนั้นเป็นเวลาทำงานของมันทั้งนั้นผลที่ทำขึ้นมานั้นจะไม่ให้เป็นความหนาแน่นภายใน จ, จิตใจของสารโลกได้อย่างไรโดยเหตุนี้ผู้ที่จะแวกว่ายออกจากสิ่งที่หนาแน่นเกนแห่งวัตตะวนทั้งหลายนี้ จึงต้องได้อาศัยความภาคเกียนอาศัยความอดความทนอาศัยสติปัญญาศรัทธาซึ่งเป็นเหมือนกับน้ำชะล้างสิ่งสงกรปรกทั้งหลายอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละทมที่กล่าวเหล่านี้คือไม่ห่างจา ก, กจิตใจของผู้ต้องการ ความหลุดพ้นจากเครื่องกดขี่บังคับมาเป็นเวลานานให้พ้นไปเสียได้ด้วยความภาคเพียรเป็นต้นของตนการประกอบความภาคเพียรเราจรึงจะทำแบบเอานิสัยของกิเลสมาใช้นั้นไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของกิเลสอีกทั้งหมดหรือทั้งเพศ ไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมจึงไม่เคยพูดย้ำเสมอในเรื่องความตั้งอกตั้งใจความมีสติมีปัญญารอบภายในจิตใจของตนไม่ไม่มีการยกเว้นว่าเอียบุตรใดสถานที่ใดเว้นแต่เวลาหลับเท่านั้นจึงจะสมเหตุสมผลกันกันกบความหนาแน่น เหล่านี้ที่เป็นของแก้ยากเป็นของชะล้างยากเป็นของ <c oughs> เป็นสิ่งที่ปราบปรามได้ยากเมื่อ <c oughs> ข้าศึกมีความแน่นหนาอยู่ภ า, ายในจิตใจการต่อสู้หรือการรบกับข้าศึกเราจะใช้ความอ่อนแอพอแท้เหลวไหลดังที่เคยเป็นมา ตามอำนาจของกิเลสมาใช้ปราบกิเลสนั้นไม่ได้ผลแม้นิดหนึ่งนอกจากจะเป็นการเพิ่มพูนสิ่งไม่พึงปรารถนาทั้งหลายให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น <c oughs> การสแสวงหา <c oughs> อัตธรรมเพื่อพระองค์เองของพระพุทธเจ้า เราทั้งหลายยอมเห็นแล้วในตำราว่ามีความแตกต่างจากการสะแสวงหาของโลกทั่วๆไปอย่างไรบ้างมีความแตกต่างกันตั้งแต่เริ่มแรกสเสด็จออกทรงพนวดจนกระทั่งวันตรัสรู้ไม่มีใครเหมือนพระพุพะพทธเจ้าที่เวลากำลังส่อแสวงหาความพ้นทุกข์ ออกจากวัตะวลนนี้เลยจึงควรอย่างยิ่งที่เราทั้งหลายจะนำมาเป็นพุทธทางแสานางคัจฉานโดยทางปฏิปทาของพระองค์ที่ทรงดำเนินมาไม่เพียงระลึกถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าเป็นผลสำเร็จอันดีงามเป็นที่พึงใจแก่ตนเองสิ่งสำคัญอยู่ที่การยึดปฏิปทาของพระองค์มาดำเนิน แม้จะไม่ได้แบบฉับของพระองค์ทุกๆกกระเบียดก็ต่างแต่ก็ยังจัดว่าเป็นลูกศิษย์มีครูที่ดำเนินตามครูแม้จะช้าก็าไม่ได้ลดละความภาคเพียรไม่ได้ตีบแฟะออกตอบลูกนอกทางพอจะผิดหวังในการดำเนินของตนเพื่อตามเสด็จท่านให้ถึงจุดหมายปลายทางที่ทรงชี้แจงบอกไว้ทุกแง่ทุกมื่ นักบวดและผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะสามารถทำได้ทุก เ, เวลาในงานอันเป็นการถอดถอนสิ่งที่เป็นฆาสิทต่อจิตใจของตอนนี้สำหรับประชาชน ญ, ญาติโยมเ ข, เขาเป็นอีกประเภทหนึง่งหน้าที่การงานของเขามากเวลำเวลาที่จะหมุนตัวเข้ามาสวดสุดทําตามความต้อ ง, องการ ได้ทุกเวลาเวลานั้นเป็นไปได้ยากไม่เหมือนพระของเราสำหรับพระของเรามีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วขึ้นชื่อว่าปั จ, จัยสีเครื่องสนับสนุนให้เป็นความสะดวกสบายเพื่อการประพฤติปฏิบัติตามความมุ่งหวังของตนนอกจากจะถูกยเหลียดเยียบย่ำทำลายลึกถุดลากเอาไว้ให้ก้าวไม่ออกเท่านั้น ควมเพียงจึงเป็นรุ่มๆุ่มนอนนอนจิตใ จ, จินค้าความสงบร่มเย็นและความสว่างากระจ่างแจ้งไม่ได้ทั้งทั้งที่ทำทุกบททุกบาทที่เข้าสู่หัวใจเพื่อความสว่างากระจ่างแจ้งทั้งนั้นไม่ได้มีทำบทใดที่สอนจิตใจให้มืดดำดาขาวสอนเพื่อความสงบร่อบเย็น สอนเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเพราะความชฉลียวฉลาดทั้งหลังแต่ผู้ปฏิบัติทำไมจริงกับโกงกันข้ามกลายเป็นค่าสิทธิ์ต่อสาธนธรรมไปเสียซึ่งก็เป็นค่าสึกต่อตอนเองอยู่นั่นแหละหลีกไม่พ้นแเวลานี้โลกกำลังหมุนไปตาม สิ่งที่กล่าวนี้มากต่อมากมองเห็นได้อย่างชัดเจนจนเป็นถ้าหากว่าจะคิดในะทางอีกหนาละอาใจก็เทียบกับโรคที่หมอจะหมดอะไรตาอยากไปแล้วเป็นโรคที่ไม่ฟังยาเรื่องของสแสลงโรคนั้นกินดูทุกเวลา ยึงแสดงความกำเริบขึ้นอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นไปนตามกันหมดความโลภก็ออกหน้าออกตาเห็นด้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดบ้านนอกในเมืองชาติท่านวันณะใดมันเป็นไปนตามกันหมดความโลภท่านบอกว่าเป็นไผ่แต่สิ่งที่ มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมกว่าจิตและเป็นเจ้าอำนาจของจิตนั้นมันก็พลิกเปลี่ยนไปเสียอย่างอื่นตามความต้องการของมันให้เห็นว่าความโลกนี้เป็นของดีเป็นสิ่งที่ควรจ ะ, จะสั่งสมขึ้นให้มากแม้จะออกหน้าออกตาก็ไม่มีวันเป็นความนิยมกันไปหมดเสแล้วนี่จริเรียกว่าต่าง คนต่างสั่งสมต่างคนต่างส่งเสริมความโลภให้เต็มภายในจิตใจแล้วจะเต็มได้อย่างไรมันไม่มีวันเต็มใจขนาดไหนธรรมชาตินี้ก็ต้องมีขนาดนั้นคำว่ า, มมาความเต็มความเพียงพอของจินี้ไม่เคยมี ในโลกทั้งสามนี้นอกจากธรรมเท่านั้นเมื่อสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันต้องระบมหาดศาสตร์ปัญาเอาไปหาสิ่งเกี่ยวข้องเกี่ยูผู้เกี่ยวข้องดูโดยดีโลภโลภอะไรนะคาว่าโลภมันไม่ใช่โลภอยู่เพียงภายในจิตมันโลภเพื่อสิ่งนั้นเพื่อสิ่งนี้ให้ได้ตามความมุ่งหมายความเพียงพอไม่มี เมื่อความโลภมันมีขึ้นมามากเก่งไรแล้วความโกรธซึ่งเป็นเงาเทียมตัวนั้นแยกออกได้อย่างไรความโลภ ก, ก็เป็นไฟกองหนึ่งแล้วความโกรธก็เป็นไฟกองที่สองขึ้นในจุดเดียวกันเพราะความดุ่งหลงงมงายซึ่งเป็นไฟกองหนึ่งอันสําคัญสมอยู่เหมือนกับไฟไม่แปรอยู่ภายในจิตใจ สิ่งเหล่านี้นักปรากทั้งหลายตำหนิติเตียนกันทั้งนั้นโดยหลักความจริงไม่ได้ตำหนิติเตียนแบบตามชอบใจแต่ตำหนิติเตียนโดยปุยหลักความจริงเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อสัตว์โลกจริงเมื่อมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นภัยมากเท่านั้นการยับยั้งตัวเองไว้ให้อยู่ในระดับพอสมควร ตามฐานะของมนุษย์ที่มีความเฉลียวฉลาดเพื่อความสงบสุขต่อตอนและส่วนรวมแล้วย่อมมีการนะครับดับกันได้ให้อยู่พอประมาณไม่ถึงกับต้องผ่าต้องพนกัดก ร, ระจายละบายไปทุกแหกทุกหลตำบลหมู่บ้านจนกลายเป็นฟืนเป็นไฟไปตามๆกันหมดเพราะอำนาจแห่งไฟเหล่านี้ถ้ายังไม่เห็นโทษอยู่กราบไดแล้วธรรมชาตินี้แหละ จะเป็นไฟมาลายกัรเผาโลกไม่ใช่ไฟอะไรล่ะพระอาทิกก็เป็นพระอาทิตย์ไฟในเตาก็เป็นไฟในเตาไฟในใจนี้เหนือไฟทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีอะไรเสมอเหมือนแล้วในโลกนี้นี่ล่ะปราดทั้งหลายท่านตำหนิตำหนิถูกจุดที่สัตว์โลกจะได้รับความเดือดร้อนหรือร่มเย็น ตำหนิว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนชมเฉยว่าร่มเย็นก็ชมเฉยที่นี่นี่เราเป็นนักปฏิบัติให้ดูจิตใจของตัวอย่าดูที่อื่นซึ่งไม่ใช่เป็นสถานที่ก่อฟืนก่อไฟเผาตัวเองดูที่จิตนี้แหละเป็นตัวการเพราะรากฐานหรือลากแก้วอันสําคัญ ซึ่งมันอย่างลึกนั้นเป็นตัวพลิกตัวภัยทั้งนั้นเวลานี้อยู่ภายในจิตใจจึงต้องกดฉี่บังคับผลักสายจิตใจให้หมุนเตี้วเช่นกับฟุตบอลนั่นเองไม่ผิดอะไรหมุนอยู่เช่นนั้นการที่จะแก้หรือถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกได้ก็คือ พระและนักปฏิบัติเป็นอันดับหนึ่งที่นี้พระและนักปฏิบัติได้แก่ใครก็ได้แก่พวกเราที่กำลังเป็นพระและเป็นนักปฏิบัติอยู่หลังที่จะพยายาม <c oughs> รื้อถอนสิ่งที่เป็นภัยซึ่งฝังลึกอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ออกไปได้ด้วยความเปลี่ยนของตอน เป็นรักเป็นตอนเป็นที่นิงเป็นอันนี่เป็นหลักสำคัญที่เราทั้งหลายพึงคิดเสมอเพราะสิ่งที่เป็นภัยมีอำนาจมากภานในใจิตใจความเคลื่อนไหวไปมาของจิตยังมีแต่เรื่องอันนี้บ่งการทั้งนั้น สติไม่ทันปัญญาไม่ทันเพราะนี่มาทีหลังแลวต้องสั่งสมขึ้นให้มากด้วยความภาคเพียรท้องตนจึงจะมีทางทันกันได้รู้เรื่องกันได้อย่ามองอื่นมองไกลที่ไหนมองลงที่จิตนี่สถานที่ก่อฟืนก่อไฟก่ออยู่ที่นี่ สถานที่จะเป็นน้ำอมตะธรรมอันเป็นที่พึงหวังอย่างยิ่งก็อยู่ที่จิต ด, ดวงนี้การประกอบความเพียรทําให้จริงจังอยา่าละเละเหลวไหลเคยพูดทําซ้ําสักสัก เกี่ยวกับเรื่องความเคลื่อนไหวของหมูคณะถ้าเป็นนักมวยก็เปิดช่องว่างเสมอมีแต่ช่องจะสลบสลายช่องตายทั้งนั้นนักกลสยิ่งฉลาดยิ่งกว่านั้นไปอีกเป็นไหนไหนยิ่งกว่านักมวยทำไมจะไม่สลบสลายเพราะมันได้ จึงต้องผิดสติปัญญาอยู่เสมอทกุก็ทุกเธอทุกด้วยความภาคเพียงไม่เป็นความล้มโมเสียหายแต่อย่างไรเราเคยทุกมาแล้วในสามโลกธาตุนี้เราท่องเที่ยวมาซะพอเน้ยจะจําไม่ได้ก็ไม่มีอะไรผิดจากความจริงคือจิตซึ่งเป็นตัวนักท่องเที่ยวไปตามวิบากกรรมดีชั่วของตนดวงนี้ไปได้ นี่เป็นเครื่องยืนยันเราเคยทุกุมามากน้อยเพียงไรจําได้มาได้มันก็เคยทุกข์อยู่แล้วอเอาหัวใจดวงนี้เป็นสักขีพยานแห่งการรับกองทุกข์ทั้งหลายในการประกอบความภาคเพยยียรเพืจะรับความทุกข์บ้างก็ทุกข์เพื่อเป็นที่มงคลเพื่อความบุดพ้นเพื่อความพืงใจของตนจะเป็นความเสียหายที่ไหนนอกจากเป็นเครื่องหนุนขึ้นไปให้ห่ืสนับ สิ่งที่ตนมุ่งหวังจากความภาคเกียนอันเกิดจากความทุกข์นี้เท่านั้นพยายามให้สงบผู้เริ่มฝึกหักจิตเอาให้สงบทำไมจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับให้สงบมีอยู่เมื่อเรานำมาปฏิบัติต่อจิตใจทำไมจะสงบไม่ได้ พยายามทำให้เป็นการเป็นงานประจำจิตของตนจะภาวนาบนใดก็าตามหรือจะกำหนดอนาปานสติให้มีสติสืบเนื่องกันอยู่นั้นไม่ต้องไปคาดถึงผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างให้เสียเวล้ำเวลาและเคลื่อนจากงานในวงปัจจุบันที่กำลังทำอยู่และจะไม่เป็น ผลสืบต่อกันไปตามความมุ่งหมายให้จิตมีความจดจ่อต่อเนื่องอยู่กับงานของตนที่ทำนี่คือวิธีการที่จะทำจิตให้สงบเฮ้อไม่สงบด้วยวิธีนี้เราจะใช้อุบายปัญญาสกัดรัดต้อนกระแสของจิตที่คิดในแนง่ต่างๆด้วยความผาดโทนของตนก็ต้องใช้ความผาดโทนของสติปัญญา หักห้ามกันอย่างเอาจริงเอาจังเอาเปนหนอตายจิตจะพ้นวิสัยการทำฝึกการทรมานของตนไปไม่ได้ย่อมจะอย่างเข้าสู่ความสงบโดยไม่ต้องสงสัยนี่มีหลายวิธีที่จะฝึกจิตให้ได้รับความสงบเย็นใจแต่ถ้าหาความสงบไม่ได้แล้วก็ไม่ผิดอะไรกับ ไฟทั้งกองซึ่งเผาอยู่ภายในจิตของตนตลอดเวลาสถานที่นั่นที่นี่ไม่มีอะไรสำคัญทั้งนั้นถ้าจิตลงได้ร้อนเป็นพื้นเป็นไฟแล้วไปอยู่ไหนก็ต้องเป็นไฟอยู่นั่นแหละเพระนาะฉะนั้นจึงพยายามฝึกฝนทรมานในจุดที่ร้อนๆ น, นี้ให้เกิดความเย็นขึ้น ด้วยอำนาจแห่งทำจนได้ทำอยู่ที่นี่ความสงบร่มเย็ น, อ, น, นอันเป็นที่พึงอันเป็นที่พึงหวังโดยลำดับอยู่ที่จิตนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่นอารมณ์ของสมถะใครชอบบทใดพึงนำทำบทนั้นเข้ามากำกับตนด้วยความจด ต, ต่อต่อเนื่องด้วยความตั้งใจ เอาจริงอกจากงเวลาใช้ปัญญาพิจิตพิจารณาก็ให้ทำด้วยความรู้สึกตัวอยู่เสมอ ด, ด้วยทางสติเช่นเดียวกับการฝึกอบรมให้จิตสงบพิจารณาในแง่ใดให้มีความรู้สึกสืบเนื่องกันไปกับแีนน่นั้นๆ <c oughs> โดยที่ร่างกายของเ่านี้มันมีอะไร เห็นได้อย่างชัดๆทำไมให้กิเลสมันโกหกก็ได้ต่อหน้าต่อตาเราโง่ขนาดไหนหนังหอกกระดูกอยู่ที่งเท่านี้ยังมาเสกสันขัญโยยังมาสำคัญมั่นหมายยังมาเชื่อความดอกลออของกิเลสว่าเป็นเราเป็นของเราไปได้ เ, เอาไว้จะว่าทั้งตัวนี้มันมีความรู้สึกที่ตรงไหน มันก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่ผิดอะไรกันเลยเพราะมันไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้ความรู้มีอยู่เฉพาะใจเท่านั้นตาหูจมูกลิ้นกายนั่นเป็นเครื่องมือแต่ละประเภทประเภทของใจเช่นเดียวกับเครื่องมือทำงาน <c oughs> ความรับราบในแง่ต่างๆนั้นเป็นเรื่องของจิตคนตายแล้วไม่มีความรู้ แม้ตาหูจมูกลิ้นกายจะยังสมบูรณ์อยู่ก็าตามความรู้ไม่มีเลยจี่เรียกว่าคนตายความรู้มีอยู่เครื่องมือใช้ไม่ได้เช่นหูหนวกหูไม่ได้ยินจิตก็รู้ท่อจิตมีอยู่ตาไม่เห็นจิตก็รู้นั่นเรียกว่าเครื่องมือมันเสียตาหูจมูกลิ้นกายใช้งานอะไรไม่ได้ มันก็รู้ถ้าเรื่องธรรมชาติรู้รู้แล้วไม่ละความรู้รู้อยู่เสมอเมื่อเครื่องมือยังดีอยู่ก็ใช้ตาก็ใช้ในทางหนึ่งหูใช้ทางหนึ่งจมูกพิ้นกายแต่ละอาัยวะแต่ละสัะส่วนใช้ไปในทางหนึ่งทางหนึ่งแต่ความรู้ซึ่งเป็นตัวการสําคัญนั้นคือจิต แยกและดูให้ดีความจริงจะไม่พ้นจากที่กล่าวนี้ไปได้เลยอวัยวะทุกส่วนความรู้ปรากฏอยู่ที่ไหนคือกิดสร้างไปที่นั่นถ้า ม, มีความรู้เลยก็เรียกว่าคนตายเราพิจรณาเห็นได้อย่างชัดเจนในวงปฏิบัติของเราเนี่ยร่างกายอันนี้มัน ก็เป็นเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนั่นเองเหตุใดมาว่าเป็นเราเป็นของเราได้และท่อนไม้ท่อนฟืนไม่แสดงความปฏิคูนโศกโศกไม่แสดงการรบพวนหรือบีบพันจิตใจให้รับความทุกข์ความลำบากเหมือนร่างกายนี้เลยเหตุใดจึงมาเสกสารพั้นยอมงเอาสดสดตอนร้อนทั้งๆั ง, ท, ง, ท, งที่มันปลอมเสกให้มันกินตรงไหนมันจะหาความกินได้อย่างไรเพราะมันไม่กินด้วยเหตุนี้ จ, ง จ, ง จ, งจงึงจงอย่างสติปัญญาลงไปพิจารณา หนังเนื้อเอ็นกระดูกภายในร่างกายส่วนไหนเป็นส่วนที่รู้ไม่มีทุกอวัยวะหาความรู้ไม่ได้มีไปจากจิตทั้งนั้นไม่ผิดอะไรกับวัตถุต่างๆแยกแยะดูตามความจริงนี้นี่คือธรรมนี่ไม่ปลอมเป็นจริงอย่างที่ว่า อย่างที่รู้ที่เห็นอย่างที่พิจารณาจริงจิงนอกจากเราไม่พิจารณาแล้วเหมาเอาเลยเมาเอาเลยเพราะอำนาจของสิ่งจงตอมทั้งหลายพาให้เหมาพาให้ยึดให้ถือพาให้รักให้ชอบนอกจากนั้นก็พาให้เกลียดให้โกรธมีนจะเรื่องจำตอมทั้งนั้นพิจารณาแยกแยะออกยังไม่ตายก็พิจารณาได้ทำไมพิจารณาไม่ได้ กำหนดให้ตายก็ได้อันนี้จังทุกขังอนัตตา ม, มีอยู่ทุกระยะทำไมจะพิจรารณาตามหลักความจริงนี้ไม่ได้เห็นอุูปะอสุปังมีอยู่ทุกระยะเต็มอยู่ในร่างกายอันนี้ทำไมมันถึงไปยึดเอาสิ่งที่ปลอมความจริงมีอยู่พิจรารณาเห็นตามความจริงนี้ทำไมไม่ยอมพิจารณาและทำไมไม่ยอมรู้ ค้นคิดลงไปที่ตรงนี้จนเห็นความจริงขึ้นมาจะเป็นฝ่ายอรุภพะอรุณพังก็ชัดกับใจจะเป็นเรื่องแตกสลายทำลายก็ชัดกับใจจนกระทั่งกลายลงไปเป็นธาตุเดิมของเขาคือดินน้ำลมไฟก็ชัดภายในใ จ, ใจิตใจด้วยปัญญาของตนเองแล้วจะหลงกันที่ตรงไหน ยึดมั่นถือมั่นเพราะให้เกิดเชี่ยนเกิดหนามเกิดความทุกข์ความทรมานเพราะอำนาจแห่งความยึดซึ่งมาจากกิเลสนั้นอะไรกันอีกมันไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์มันไม่หลงก็ไม่ทุกข์นี่ทุกข์ภาพความหลงความหลงนั้นเป็นเรื่องของกิเลสความยึดติดตามเข้ามาอันเป็นเครือญาติกันกับกิเลสอีกจึงต้องรับความทุกข์ความลำบาก เพราะความยุ่งหลงของตรอมทั้งหลายเหล่านี้มีการพิจารณาทางด้านปัรดาให้ทีน่าอย่างนี้แล้วข้างนอกก็เทียบปันดาอย่างนี้รูปใดากายใดจะไม่เป็นเหมือนกันมีหรือต้องเป็นแบบเดียวกันทั้งนั้นความแประสะภาพความนิจจทุกขังาตาอสุภะอสุธังมันเต็มไปด้วยกันทั้งนั้นสงสัยที่ตรงไหน อิจาาแยกและลงไปกิดถ้าลงได้รู้ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ตามหลักความจริงแล้วจะมีความเอบอบีมีความปีติมีความแปลกประหลาดขึ้นพานในตัวเองและเกิดความอัศจรรย์เบาขึ้นโดยลำดับลำดับจนน้ำตาล่วงเพราะความเห็นโทษของมันอย่างประจักษ์แบ พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพิจารณาเท่าไหรก็เป็นความจริงอย่างเดียวกันนี้อย่างเดียวกันนี้ซ้ําลงไปซ้ําลงไปจนพอรอบหมดในร่างกายอันนี้ด้วยปัญญาอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่ต้องบอกถอนทันทีทันทีที่ปัญญาเข้าถึงอย่างประจักษ์ประจักษ์นี่เรียกว่า จิตรูตามความจริงไม่รู้แบบฝืนความจริงดังที่เป็นอยู่การฝืนความจริงมันต้องเป็นทุกข์อย่างที่จิตทุกข์ของคนมีกิเลสทั้งหลายลเราท่านท่านมันฝืนความจรงิงนั้นเพราะกิเลสพาให้ฝืนฝืนไปเท่าไหร่จะหาความสุขไม่มีเลยมีแต่ความทุกข์ทั้งนั้นหากจะเป็นความสุขก็เป็นความสุข จากเหยื่อล่อของกิเลสมีนิดเดียวเท่านั้นเพื่อความเป็นภัยอันใดหลวงไม่ได้เพื่ออะไรเพื่อความเป็นภัยการพิจารณานี้จะทุกข์ยากลำบากบ้างก็เป็นคุณทั้งมวลต้องพากันพิจารณาหรืความตั้งอกตั้งใจให้เห็นจริงเห็นจังเพราะของจริงมีอยู่ ในร่างกายจิตใจของเหล่านี้ไม่ได้นอกเหนือไ ป, ปจากนี้เลยสมบูรณ์เต็มที่เช่นทุกสมุ ท, ทยัยก็มีเต็มอยู่ในกายในจิตนี้มกักไดาแก่ข้อปฏิบัติสติปัญญาศรัทธาความเพียรเมื่อเราผิดขึ้นมาก็มีอยู่ที่นี่ออกจากใจดวงเดียวกันเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงเพราะการพิมพิจนาแล้วคำว่า น, นิโรธคือความดับทุกข์ ก็ดับไปโดยลําดับดับทุกนั้ น, นคือตัวสาเหตุเพราะตัวผลของสมูทายก็เพราะดับสมูทายได้นั่นเองทุกถึงจะดับไปได้แล้วก็เมื่อสัจธรรมทั้งทั้งสี่นี้ได้ทําหน้าที่ต่อกันโดยสมบูรณ์แล้วก็กลายเป็นของจริงล้นลวนๆขึ้นมาทั้งสี่อย่างท่านจะเรียกว่าทุกขังอริยสัจจ์ทุกเป็นของจริง อย่างยิ่งสมุทัยยะอริยะสัจจังสมุทัยก็เป็นของจริงอย่างยิ่งนิโรธคือความดับทุกข์ก็เป็นของจริงอันหนึ่งมรรคสรุปแล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญาและย่นเข้ามาก็คือสติปัญญาเรารู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายตัดขาดความยึดมั่นถือมั่นลงด้วย ความรู้แจ้งเห็นชัดของตแนแล้วทุกทก็ดับเพราะสมุทยัยดับไปทุกเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้สมุทยัยเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้มรรคเป็นสิ่งที่เกิดได้ดับได้นิโรดนสิ่งที่ปรากฏได้ดับได้แต่ผู้รู้ว่าทุกสมุ ท, ทัยนิโรดมรรคเกิดได้ดับได้นั้นคือผู้บริสุทธิ์ นี่นอกจากสัจธรรมทั้งสี่ผู้นี้แหละผู้เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆบริสุทธิ์ก็คือผู้นี้ผู้พ้นจากทุกข์ก็คือผู้นี้วิสุทธิธรรมวิสุทธิจิตก็คือจิตดวงนี้นอกจากสัจธรรมทั้งสีออกมาคือผู้นี้ ที่กาทั้งหมดนี้ไม่ได้นอกเหนือไปจากกาจากใจของเราของท่านพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่ได้รู้ลงที่นี่แล้วถึงได้นามาสอนโลกศา ส, สนาเรียวยมไปที่ไหนความเรียวยำมันมันอยู่กับความเอาใจใส่ความประพฤติหรือไม่เอาใจใส่และไม่ปรประพฤติของคนเท่านั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลย ศาสนาไปถึงระยะนั้นระยะนั้นจะหมดไปหมดเพราะความนับถือเพราะความเชื่อความนัสถืในใจของจัดโลกทางหาเมื่อปล่อยสิ่งหนึ่งก็ต้องยึดสิ่งหนึ่งให้หนาแน่นเข้าไปปล่อยอัธรรมซึ่งเป็นคุณค่าจากจิตใจก็เปรว้าเอาฟูนเอาไฟคือกิเลสทันหัสว่าเข้ามาเผารุ่มตนเองเท่านั้นคนไม่มีศาสนาหาความ เย็ที่ไหนได้ไม่มีนั่นแหละสมัยนั้นแหละเป็นสมัยที่ร้อนที่สุดสมัยไม่คนไม่มีศาสนาอะขณะใดก็ตามถ้าจิตของเราไม่มีสติสตังปราศจากศาสนากิเลสก็รุมร้อนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายได้อย่างไม่ต้องสงสัยศาสนามันเดียวแหลมมันเดียวที่ตรงนี้จเจริญก็จเจริญที่ผู้บำบัดงรักษาตัวเอง ไม่ได้อยู่ที่ไหนอย่ามองไปไกลยอย่ามองไปที่อื่นเป็นเรื่องหลอกทั้งหมดมองลงที่นี่ของจริงอยู่ที่นี่ทษ ป, ปฏิบัติอย่ามองนอกเหนือไปจากสัจธรรมถ้ามองข้างนอกก็ให้มองในในลักษณะของสัจธรรมมองเป็นธรรมคือมองในทางอนิจจังทุกขังอัตตาไม่ว่าสิ่งใดเป็นธรรมทั้งนั้นเป็นหินรับสติปัญญาได้เป็นอย่างดี ถ้ามองตามโลกตามงสารนั่นก็คือว่ามองตามอำนาจของจิตเสนหาว่าจะพอกภูมิแต่ทุกข์เข้ามาภาใน จ, จิตใจไม่มีแล้วรดน้อยถอยลงได้เลยจิตที่ถูกครอบงำกับจิตที่เปิดเผยตัวเองน่ะผิดกันคนละโลกเหมือนกับคนที่ถูกบังคับบัญชาอยู่ใต้ความกดขี่บังคับบั ญ, บญชา ข, ขากับคนที่เป็นอิสระเราก็เห็นได้ชัดว่าผิดกันจิตใจที่อยู่ใต้อำนาจของสิ่งกดขี่บังคับกับจิตใจที่หลุดพ้นไปแล้วจากสิ่งบังคับนั้นผิดกันรา้ากับดินหินกับเพชรไอสิ่งที่กดขี่บังคับมันก็มีในหัวใจของเราปุ่ยรับความทุกข์ก็คือจิตใจเราไม่สงสัยมีอยู่แล้วทุกคนไม่ทราบว่าจะติดจิตติดใจ นอนใจไปกับสิ่งอย่างนี้อะไรต่อไปอีกพอที่จะได้ความดิีความนี้ขึ้นมาจากมันถ้าไม่เร่นขวนขายตัวเองตะเกียกตะกายด้วยความภาคเพียรของตนเพราอจะหลุดพ้นไม่มีผู้อื่นผู้ใดจะมาถอนถอนให้เราได้ไม่มีผู้อื่นผู้ดใ ด, ดที่จะนำํำเราออกจากที่คุมขังได้นอกจากความพากเพียรของเรา ตามหลักธรรมธนามะอัตตาหิอัตโนนาโถตนนั่นแหล ะ, ปะเป็นที่พึ่งของตนงานก็ต้องทำด้วยเราผลจะเป็นของเราเองครูบาอาจารย์เป็นติดผู้แนะแนวทางให้เท่านั้นนังธรรมท่านกล่าวไว้ว่าตุมเห้หกิจจังอะกิจจังอาตตังักขาตาโรตถาะตาความเพียรเป็นหน้าที่ของท่านทั้งหลายจะพึงทําด้วยตนเอง พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นแต่เพียงผู้ชี้บอกแนวทางเท่านั้นส่วนที่จะยึดเอาพระโอวาทนั้นเข้ามาแก้ไขดัดแปลงตนเองนั้นเป็นเรื่องของเราเราจะปล่อยให้เวลาเวลามาช่วยไม่มีทางหวันนั้นเดือนนี้สถานที่นั้นที่นี่โลกนั้นโลกนี้มาแก้ความทุกข์ออกจากหัวใจเหล่านี้ไม่มีทางอย่าคิดไปให้เสียเ ว, เวลาวมานิเรศไม่เคยไปนิยมกับการสถานที่วเวลามา พบนั้นพบนี้ที่ไหนมันฝังอยู่ที่หัวใจเฉียดแทงที่หัวใจกดขี่บังคับอยู่ที่หัวใจเราเพราะฉะ น, นั้นทำจึงแก่เครื่องแก้แกิเลสเครื่องปราบกิเลสจึงอย่างลงที่จิตใจดวงเดียวกันนี้ด้วยความเข้มแข็งไม่ลดละความภาคเพียรเราจะเห็นแดนแห่งความอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจดวงกําลังอับเฉาอยู่เวลานี้โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกันเนี่ยหลักใหญ่อยู่ที่ตรงไหน อย่าตื่นเต้นกับสิ่งที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นของมีอยู่ในโลกเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดสับสนปนเปกันอยู่เช่นนี้ตั้งแต่ดับไหนกันไหนมามันไม่เป็นอื่นไปได้สภาพใดมันก็เป็นสภาพนั้นของมันอยู่อย่างนี้มันหเกิดทางดับสัมผัสสัมพันธ์กันไปแล้วหายไปหายไปได้มาเสียไปได้มาเสียไปสี่งนั้นเกิดแล้วสี่งนี้หายไป มีอย่างนี้ตามนิสัยของโลกอนิจจังทุกขังหน้าตาเราจะยึดเอาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นที่ไว้อกไว้ใจเป็นที่อบอุ่นเย็นใจที่ไหนได้กับสิ่ง น, นั้นไม่มีทางนอกจากพยายามบำเพ็ญทำเฉพาะอย่างยิ่งคือสมถะธรรมคือความสงบเย็นใจให้ปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนปุณ น, นั้นจะมีความสงบร่มเย็นไม่ร้อนดังนั้นก็อบรมห้มีความแน่นหนา ม, มั่นคงขึ้น ในความสงบของตนให้มีกำลังขึ้นมากๆแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในสิ่งที่มันปิดบังลี้ลับอิกแต่ไหนแต่ไรมาให้เห็นแจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับดังที่เคยอธิบายแล้วโดยทางปัญญาปัฒนาได้ฟังมาพอสมควรอยู่แล้วหลักจิตจะเปิดเผยตัวขึ้นที่นั่นรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นที่นั่นความภาคภูมิใจก็จะอยู่ที่นั่นแล้วหมด ความห่วงใยความวุ่นวายกับการที่นั่สถานที่นี้วัตถุนั้นถิ่งนั้นสิ่งนี้มีมากมีน้อยในสามโลกฐานเป็นอันหมดความหมายเมื่อยึดได้หลักเจนอันเป็นที่พึงใจภายในใจของตัวเองแล้วสิ่งนั้นคือธรรมท่านจึงเรียกว่าโลกุตตรธรรมธรรมเหนือโลกคือสูงกว่าโลกไม่ได้ว่าธรรมต่ำกว่าโลก ถ้าทำต่ำกว่าโลกผู้บรรลุธรรมจะต้องเป็นผู้ต่ำกว่าโลกหาความประเสริฐไม่ได้แต่ผู้บรรลุธรรมนั่นแหละคือผู้ประเสริฐเพราะทำเพื่ให้ประเสริฐทำเป็นคู่ฟวนของใจใจกับทำพยายามให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่สมาธิธรรมขึ้นไปถึงขั้นปัญญาธรรมเป็นขั้นขั้นจนกรทั่งถึงยมุดบุญพ้นเราจะทราบชัดว่าความบุญพ้นเป็นอย่างไรที่ใจของเรา ก็หลุดพ้นจากสิ่งผูกพันทั้งหลายนั่นเองใันหลุดพ้นเหาะลอยขึ้นบนเมฆน้่นเมฆ เ, เป็นเมฆอาวากาศเป็นอาวากาศไม่ใช่เป็นสิ่งที่อัศจรรย์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลิศไม่ใช่สิ่งที่ประเสริฐยิ่งกว่าใจที่หลุดพ้นแล้วจากสิ่งกดทวงทั้งหลายใจตรงนี้ประเสริฐอยู่ที่ไหนก็พอตัวหมดความสําคัญมั่นหมายในการสถานที่และวัตถุนามธรรมาต่างๆ ตลอดถึงพบนั้นชาตินี้ซึ่งเคยเกิดเคยตายมาแล้วถึงความสุขความทุกข์ที่จะได้นะั้จะทานที่หน่ำที่ น, น, นีหมดอะไรเพราะความอิ่มตัวความพอตัวสมบูรณ์อยู่แล้วภายใจิตใจจิตใจไม่หิวโหวยแล้วจะไปสอนนุ่นสแสวงนี้ให้ลําบากลาบนทําไมเท่าที่จิตมันสอ น, นสแสวงก็เพราะได้อาหารไม่เป็นที่พึงใจนั่นเอง อันนั้นจะดีอันนี้จะดีคว้าที่ไหนมีแต่ฟืนแต่ไฟทอกว่าด้วยความโง่ไม่ได้คว้าด้วยความฉลาดอำนาจของจิตดชพาให้ฟ้าจึงเจอแต่ฟืนแต่ไฟถึงเราพยายามคว้าด้วยอัดด้วยทำสติปัญญาศรัทธาความเปลี่ยนเอาให้ดีหลักฐานอันสาคัญสิ่งที่ประเสริฐสุดภายในจิตใจของอยู่ภายในจิตใจของเรานี้ไม่อยู่ที่ไหนเอาให้เห็นตรงนี้ เมื่อเห็นตรงนี้แล้วปัญหาทั้งมวลในแดนโลกธาตุนี้จะขาดสะบั้นลงในปัจจุบันทันตานั่นงแลปัญหาทั้งหมดหมดกันหลักทีการสลับไรภพออกจากกิจจังเป็นสิ่งที่หนักอยู่มากแต่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สุดวิสัย ทำมัธสัยเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติผู้ต้องการหุดความหุดพ้นอยู่แล้วโดยดีธรรมบริจาคทุกๆบททุกบาทเป็นธรรมทันสมัยเหมาะกับวิสัยของเราผู้ต้องการความหุทพ้นยึดเข้ามาเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจให้พึ่งเป็นพึ่งตายกับธรรมสิ่งทั้งหลายเราเคยพึ่งมาแล้วเป็นอันตรายต่อเราทั้งนั้นกลายเป็นพิษเป็นภัยเสมอหาที่ไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นจงยึดธรรมให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ต่อจิตใจ เอาให้เห็นแดแนอย่างความอัศจรรย์มาอยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากจิดดวงที่ดูดลอยออกจากสิ่งตํชาช้เาเร็วซ้ำทั้งหลายนี้อยู่ที่ตรงนี้แหละเอาให้ดีทำเงียบยินก็จังไม่ได้นะต้องจินต้องจังนะให้เห็นจนได้ความสงบอย่างน้อยให้ได้สงบนะถ้ามันสงบแล้ว มันไม่มีโรคอยู่ละจิตนี่หนักผมเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเป็นนีงได้กล้าพูดเลวยหม่ไม่มีอะไรที่ร้อนยี่กว่าจิตหาความสงบไม่ได้แก่อนก็ร้อนมันก็ไม่เท่าไหร่เรายังไม่ได้ภาวนาก่อนร้อนก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าภาวนาจิตได้รับความสงบจิตตอนที่ยังไม่ เรื่องภาวนามันกองรั่วมันร้อนอยู่แต่ว่าภาวนาพอได้หล่าได้เก่งขึ้นมาแล้วกลับกลายหายเป็นสื่อมเป็นไม่เหตุใดมันึไม่ลืมมาเลยมันถึงขนาดไม่ลืมมันถึงไม่ลืมร้อนเลยวันดีหนึ่งที่มันไม่ถอยกันนั่นแต่ทุกโมงโอ้ยมันไหวอี่างนี้ฝึกให้ดีกว่าไปเลยนะมันไม่เป็นนะมีแต่มันจะเอา เข็ดทั้งหลับ อ, อืมันมันอยู่กับโรกโรกสงสามนั่นแหะไม่ได้อยู่กับตัวนะมันอยู่กับเรื่องนันเรื่องนี้ยุ่งเพรา้งแต่เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟทันนั้นความสงบแล้วมันไม่ยุง่งสบายอยู่ภายในจิตเพียงขั้นสงบนั้นมันก็สบายมันไม่ยุ่งกับอะไรสบายอยู่ภายในจิต น, นี่ขั้นขั้นนี้ขั้นเริ่มขั้น ท่าเริ่มสบายแล้วพอฐานธงกิจมันแน่นเข่าแน่นเข่าแน่นเข่ า, ขาที่นี่ก็ยิ่งสบายสบาสบายจนขี้เกียจไม่สนใจพอพิจารณาทางด้านปัญญาเพราะเราไม่เคยเดินเราไม่เคยเห็นผลของทางด้านปัญญาเห็นผลแต่ทางด้านสมาธิมันก็อยู่แต่สมาธิทั้งวันมันอยู่แต่กับนั่นมันยุ่งกับอะไรมันความรู้รอันเดียวเด่นเด่นภายในร่างกาย ความสงบเย็นก็อยู่นั่นเลยนะนั่นที่เรียว่าเมื่อมีสมาธิแล้ปัญญาจะเกิดเองอย่ามาโกหกว่ oh ok, างั้นเลยลนะ่ะเมื่อมีสมาธิแล้ปัญญาจะเกิดเองมันเกิดไม่ได้ไม่ให้เกิด ไ, ไม่พาให้เกิดว่างั้นเลยนะั่นแหละเราติดมาสมาธิมากี่ปีจำได้นึงเมื่อไหร่ถ้ามันสมาธิมันจะเป็นปัญญาถ้ามันมันจะมาติดกัน กอดสมาธิทำไ ม, มทำไมไม่ เ, เป็นปัญญาเฉลยตลาดหลุพ้นไปได้เลยโดยไม่ต้องพิจารณาสมาธิต้องเป็นสมาธิปัญญาต้องเป็นปัญญาจะเป็นเครื่องหนุนด้นคือสมาธิเมื่อนันหมายตั้งจิตมันอิมมนอ่มตัวในขั้นนี้มันไม่หิหวโหยเร่ร่อนแปลว่าอารมณ์ต่างๆนี่พาพิจารณาอะไรมันก็ทําตั้งหน้าต่างต า, งตางทำแต่ทำในขณะที่จิตมันกำลังวุ่นวายนั่นพอพิจารณานี้มันเฉลยไหลไปเฮี้ยนั้นนี่เป็นปัญญาให้เป็นสัญญาไปสิ เห็เราเคยพิจาราแล้วเป็นสัญญาไปเสียสั ญ, ญาไปเสียพอจิตสงบแล้วเราก้าวทางด้านปัญญาเนี่ยมันไม่หุ่นอะไรถ้พาพิจารณาอะไรมันก็พิจารณานั่นมันไม่หิวโหยนั่นแหละมันจะรู้เลยทพเดียวรู้แน่นั่นขึ้นมาลุู้แน่นี่นขึ้นมาเอ๊ะชอบคนชอบคนนี่ผลที่เกิดขึ้นจากทางด้านปัญญาผิด ก, กับทางสมาธิ มันตัดทิเลตเป็นขาดว่าขาดตอนไปเดินดัดนต่าเอ๊ะเอ๊ะชอบคนชอบคนขยับใหญ่จริงๆโหเรามีสายขาดโพลลงนิดไปทางด้านบรรยายนอนกันม่ได้ผมว่านพ่แม่าอาจารเทกเอาอย่าลืมไงท่ันเทก็อย่างหนักนมีสายของเราเป็นเรองขงป้านอย่างหนัก ผู้ธรรมดาไม่ถึงหระคนหนาๆอย่างนี้ผมว่าอะไรย่างยังหนักเลยเข้ม ไ, ไปนี่พ่อแม่ครูอาจารย์ว่าให้พิจารณาออกพิจารณาทีนี้มันออกพิจารณานม่มมันจะทั้งนอนไม่ได้ใที่ผมก็ไม่นอนไม่ได้จริงมพิจนรณาทั้งวันทั้งคืนเลยเลยนอนไม่หลับบางคืนนอนไม่ได้นั่นแหละมันหลงสังขารหนานะทันปุ๊บเขเลยนะ เขาบอ่าเขาทำให้พิจนาห์ก็ไม่รู้เนี่ยมันสวนดันเขาไปนะนั่นแหละบ้าบ้าทังขาบ้าหลงทั้งขาอู้ข น, นาดมันวะนี่เลยทีนี้งูมหงหอบไม่แผ่รังพานเลยหมอยั้ไงก็คงถูกทางท่านว่าละวแต่มันไม่ถอยนะพ่จนาห์มันไม่ถอยมันจะตายจริงมันก็มันเพียรนี่เพราะจิตทํางานมันไม่เพียอะไรไง คุยเกี่ยดขุดค้นฟัดอยู่นันไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนนอนมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยงานมันจะให้ให้รู้ให้เขาจะอันั้นให้ขาดสุดท้ายมันก็สว่างออกมาเสิว่อไม่หลับแล้ววันนี้แล้ทั้งวันไม่หลับอีกคนอ่อนลงอ่อนลงเหมือนนั่นแหะมันจะตายขนาดนั้นแหะมันถึงได้บังคับตัวเองบังคับให้มันปล่อยงานนั้นเข้ามาภาวนา สมาธิไม่ทราบมันหายไปไหนแต่สมาธิหายอันนี้มันไม่ได้เหมือนสมาธิเหมือนไม่เหมือนไม่มีสมาธินะมันไม่ได้หายเป็นเพียงมันไม่สนใจกับสมาธินั้นพอหมุนเข้ามานี่มันมันก็ไปห่วงงานนะมันไม่ได้ห่วงอะไรมันห่วงงานนี่เทนั้นพอปล่อยไม่ได้นะปั๊บถึงงานเลยมันไม่ได้ไปอื่นไปงานแล้วบางคับแหม่ไปอ่าพูดโถนั่นเหมือนกับเรียนภาวนาใหม่นะ เอาพุโธอัดเข้าไปพุทโธพุทโธถ้ามันมันห่างๆไม่ได้นะมันจะออกหางานนั่นมันค่อยจะพุ่งพุ่งแล้วพุทโธพุทโธถียีบหรือบางครับางยี่นี่ให้เข้าสู่ความสงบพุทโธพุทโธนั่งหน้าต่างๆเอพุทโธไม่มันออกมันอยู่ไงมันอยู่บางเคาอยู่สุดท่านก็อยู่เพราะไม่มีอะไรไม่มีแจะออกหางานเท่านั้นมันไม่ได้มีจะออกตามโลกตามมุ่งตามที่ไหน ออางานก็ความมุ่งหมายกับเพื่อค่ากิ เ, เลสเองก็เท่านะั้นวุฒโธวุฒโธวุฒโธที่เย็บลงไปนี่จิตมันก็อ่อนลงอ่อนลงอ่อนลงโอโอ้โหเหมือนถอดเทียนถอดน้ำนะพอมันสงบแนว่วหลงไปต่อยงานหมดแนว่วไปอยู่นั่นแ ต, แต่อยู่นี่ก็มันอยู่ด้วยความรู้อยู่นะอออยู่ด้วยการบังคับอย่มือ พอปล่อยไม่ได้มันออกข้างงานทันทีมันบังคับไว้นั่นให้อยู่นนสบายทั้งๆสบายมันยังจะออกอยู่ถ้าถ้าปล่อยไม่ได้น้ําจะออกบังคับไว้นั่นจนกระทั้งมันแน่วพอแน่วแล้วก็พุทโธก็หายอะไรอย่างนี้นะยึดความรู้เด่นแม่มันคิดมันปุงอะไรทั้งนั้นนั่นทักตัวเองพอมีกําลังมันมีกําลังรวดเร็วนี่นะพอทักตัวเองมัน ได้หรือว่าเป็นที่แน่ใจเป็นที่สะดวกสบายแล้วต่อยพอต่อยก็ถึงกันเลยนี่มันก็เหมือนกับมีดได้รับหินนะเหมือนกับเราเองก็รับทานอาหารผ้าผ่อนนอนหลับให้สบายสบายมีดก็เหมือนกับรับหินไม่ร่อยแล้วก็ไปฟันไม้ท่อนนั้นแหละชิ้นนั้นแหละขาดสะบัน้นไปเลยไม้ก็ไม้ชิ้นเก่านั่นแหละมีก็มีดเล่มเก่านั่นแหละเล่าก็คนเก่านั่นแหละแต่มันต่างกันที่ กำลังมีก็เหมือนได้รับหินแล้วถ้าพทีคราวนี้ขาดไปอย่างรวดเร็วเนี่ยที่แบบสมาธิปาิภารุจารัญญามหาพลาโคตรถึงห้าั้งท่าคือสมาธิปเป็นเครื่องหนุนปัญญาถ้าเราไ ม, ม่พาสมาธิกําลังมันไม่มีเป็นหนุนปัญญาได้ยังไงเห็นคุณค่างปัญญาต้องรับพาออกมันถึงออก สมาธิมีพอแล้วมันก็เหมือนกับเครื่องทําครัวนั่นแหละหัวมากรเป็นเพลินทุทอยู่นี่มันก็เป็นผักเป็นหญ้าเป็นเนื้อเป็นปลาอยู่นั้นมันไม่ได้เป็นแกงไงทำไมมาผสมกันเข้ามาทําเป็นอาหารประเภทต่างๆมันจะสําเร็จเป็นอาหารอาหารประเภทนั้นไม่ได้มันก็ต้องเป็นผักเป็นปลาเป็นเนื้ออยู่โดยดีอ่ะพอมาผสมอาจจะทําเป็นอาหารประเภทใดเอาหยิบนั่นมาใส่หยิบนี่มาใส่หยื่อมใส่ ก็เสด็จเป็นแกนขึ้นมาสมาธิก็เป็นสมาธิอย่างนั้นเลยมันจะเป็นปัญญาได้อย่างไ ร, ท, ราทางพิจารณาทางเป็นทางด้านปัญญาแปลแบบนี้เป็นปัญญาที่นอยอยานนยาก็เป็นปัญญาไปนี่มันชัดอย่างนั้นนะเพราะงั้นถึงได้กล้าพูดใครจะมาโกาหกกม่ได้นะเรื่องสมาธิวางนี้หรอ เ, รเล่าเรื่องปัญญาใครจะมาโกาหกไม่ได้นะมันประจักษ์ทุกอย่างฟัดกันอย่างโชคทวนหู มันพูดเป็นพอเหมาะพอสมก็ถึงเวลาพิจารณาทางด้านบรรดาเอาให้เต็มเหนีย่ยวอย่ามาห่วงสมาธินี่เวลามันผ่านไปแล้วมันก็รู้เองอความผิดตอนนี้ก็เป็นครูฉะนั้นความถูกก็เป็นครูความผิดก็เป็นครู<อ>ที่จะแนะนำของสอนคนอื่นนันก็เอามาจากความเป็นเจ้าของเั่นละทั้งผิดทั้งถูกนั่นแหละเวลาจะพิจารณาทางด้านบัญญาอาดการะนุ้งให้เต็มเหนี่ยวไม่ต้องห่วงสมาธิ ทีนี้พอถึงขั้นที่มันจะพักตัวมันเหนื่อยแล้วเราก็รู้เองที่นี้ถอยจิตปักเข้ามาพักให้สมาธิไม่ต้องห่วงปัญญามันจะทําหน้าที่สมาธิให้สงบอ้าสงบตั้งหน้าตั้งตาพักเนนื่นแล้วม่เราจะรับทานอาหารเอารับให้พอกับความต้องการของท่านอาจจะนอนก็อนนอนให้พอความต้องการของท่านตืน่นแล้วอาที่นี้ทํางานไม่ต้องมาห่วงเรื่องอยู่เรื่องกินเรื่องหลับเรื่องนอนทําไปงานน่ะนั่นแหะงานเป็นงานพักเป็นพัก เป็นประโยชน์ด้วยกันทั้งนั้นเวลาพักสมาธิพอสมกวรนล้วมี็มกนการไปออกทางดานปาัญญาอิจานาางนปะัญญาเวลาเรียนกนน็มีท่านบอกไว้แล้วในปัจจัก็มีตัรุณะวิปัสสนาเพื่อนเพื่อนจะพิจารณวิปัสสนาอ่อนๆสมาธิพิจารณาสมาธิตามขั้นพิจารณาปัญญาตามขั้ น, นกว่าไว้ตามปาัจจัยแต่เมือม่อไม่ เข้ามาถึงตัวจริงมาเผชิญกันในหัวใจเจ้าของแล้วมันเอาคำพูดอะไรมาได้มันไม่ประจักษ์พอเจ้าของไปเจอเสียแล้วทีนี้มันชัดทั้งด้านสมาธิทั้งด้านสัญญาจะพาะกี่มากน้อยหนุนมันก็เข้าใจแ ล, จจและสิเนี๋ยวมันทำมันไปแล้วเปนหาที่ไปไม่ได้เวลามันหมุนอยู่มันแหมมันเหมือนจะ ไม่มีเวลาพักเวลาหยุดได้เลยเหมือนกับเราเปิดเครื่องจักรเครื่องยนต์นั้นแหละแต่พอเราดับเครื่องมาแล้วเครื่องใหญ่เครื่องเล็กมันก็หยุดไปตามกันหมดมีเวลาที่ปีติปัญรามันลุกลามไปกับเชื้อตด้งแต่กิเลสประเภทต่างๆมันมีมากน้อยเท่าไหร่มันจะต้องลุกลามไปตามนั้นตามนั้นตามนั้นไม่หยุดไม่ถอยอันไปเต็มทีมันแล้ว มันก็อยู่ทังมันเองไม่เห็นว่าเราต้องมองมบังคับอืาสติปัญญามันหมุนตัวเป็นเกี่ยวหรือเป็นธรรมจักรอย่างนี้อย่งนี้เป็นเจ้าของลําคานบางทีมันลาคานนะโอเมื่อะไรมันไปหยุดไปพักทีทาาําไมภาวนาเราขาดเราคิดว่าจิตมีความละเอียดเท่าไร่เข้าไปเท่าไร่จะมีความสะดวกสบายมากขึ้นงานก็จะน้อยลงน้อยลงจะเบาไปสบายไปเรื่อยๆมันไม่ได้มันไม่เป็นอย่างนั้นมันจับบนข้าม กีดีเอกะตะลังที่งานมันยิ่งมากมินหมุนตัวไม่หยุดทั้งวันจึงเป็นอย่งนี้ไหนถ้าเมื่อไหร่มันจะหยุดได้แค่ทีเพราะว่าฉะนั้นป้ามันก็ใส่งานปึงนะนคิดเพื่อพูดฉะนั้นมันไม่มีกําลังยิ่งกว่าที่มันจะพุ่งใส่งานอันนั้นมันมีกําลังมากกําลังของกิตพอหยุดคิดทีนี้มันก็เปึงใส่งานเลยพันกันเลยถเมื่อไหรมันไปเติมที่เติมเหตุเติมยาทั้งหมนแล้วมันก็อยู่ทั้งมันเองนี่ อไอ้ที่มันหมุนตัวเป็เกี่ยวนั้นหาเงียบจะหาเงียไปเพราะเห็นอะไรมันก็รู้มันเสียนยในการที่มันหมุนติ่วเพราะเห็นอะไรนี่มันไม่รู้นี่ไว้ทั้งตึงลาคานมันหมุนติ่วๆเพราะเห็นอะไรไม่รู้เพราะมันกําลังเดินทางทางไม่เคยเดินมันก็งงเลยจึงต้องมาลาคาญเจ้าของแล้วไม่รู้วิธียับยั้งแต่เวลไปหยุดออกของมัน นันมันทราบทั้งเหตุทั้งผลพร้อมกันแล้วทําไมมันถึงหยุดหยุดพราะเหตุไรเนี่ยไปถามหาอะไรมันรู้แล้วมันเข้าใจแล้วมันตัดปัญหาความสงสัยทั้งหมดแล้ก็จะไปสงสัยอะไรเหมือนคนไม่มีเหมือนคนไม่เคยใช้สติไม่เคยใช้ปัญญาเลยอยู่เฉยเหมือนบ้าเขาเหมือนคนไม่มีหัวใจ บุญเวลามันเป็นเฉยเอาเรื่องเอาเล่าเลยคนโลกมันก็เหมือนกับมันอิ่มแล้วพอทุกอย่างเกี่ยวกับโลกสงสารมันก็ไม่ไปยุ่งเสียไม่ลำเวลาเหนื่อยในปีนาภายในอย่างว่ามันก็ไม่เอาเยอะมันก็อยู่แบบนั้นแหละหากมาสงสัยมันอยู่แบบไหนมันก็ไม่สงสัยสิ เดินยิมคมมีเดินไปเดินมาะเห็นจิ้งกกิ้งกาบเห็นกระรอกกระแตมก็เล่นกรบกระแตไปเยอะแทนที่เห็นตั้งได้ตาเดินยิมโคมันก็ไม่ได้เรื่องอยู่เล่นกับสัตว์ไปเยอะี่เล่นกับสัตว์มันมีความหมายมาหนึ่งเป็นพื้นนะที่เล่นนั่นเล่นกับสัตว์มันเล่นด้วยความเมตตาคิดน่ะสําคัญอยู่ตรงนั้น่ะอมันสมอง เขามคิดเลยคิเลยใจือคือธรรมชาติอันนี้หวะนั่นนะันมีอยู่ทุกจิท้ายเป็นอย่างนั้นศาสตว์จึงต้องเป็นศุกรกรรมเพราะอํานาจของกิเลสพาเป็นเหตุให้ทํำกรรมทํากรรมแล้วก็เป็นวิบากขึ้นมาก็หมุนเวียนกันไปกันมาเพราะใครจี่จะบวมากพบชาติของสัตว์ตัวใดของผู้ใดไม่ได้เพราะมันหมุนเวียนสูงสูงต่ตําๆำรุ่นรอนอย่างนี้ตามหลักธรรมชาติของเครื่องหมุนมันมีพาให้ทํานั้นทำนี้ สู ง, สง ต, ต, ต่ำรุ่มันตอนดีบ้างชั่วบ้างเพราะเวลาผลาออกมามบินมีดีมีชั่วมีสูงมีต่ำไปตามพบพตามชาติตามควาเหมือนของตนเพราะอํำนาจแห่งนี้บากพาให้เปลี่ยนไปมันเข้าใจเลยนะเวลาดูสันเหมือนกับดูหัวใจเหล่าดูหัวใจฉัตก็เหมือนดูหัวใจคนมันผิดกันอะไรผิดแต่ล่างกนั้นร่างนี้วก็เป็นทาสีดินหน้าด ง, งไฟเหมือนกันสําคัญในพิจิต มันจุดมันเจาไปตรงนั้นนี่คือความสงสา ร, สารานี่ตาย่ะไรแนี้กันนะ